เราได้พิจรารณาสังคานนะเหมือนบทที่เราได้พิจรารณาอยู่ทุกวันนะมันจะทําให้เราเห็นเห็นความจริงของของร่างกายแล้วก็จิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันนะความเป็นเราในตอนตอนนี้กับความเป็นเราตอนยังหนุ่มสาวกับความเป็นเราตอนที่ยังเป็นเด็กนะ หือว่าเป็นคารกมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะดูรูปของเราตอนเป็นเด็กเล็กๆกับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่รู้กี่เข้านะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะก็ความความเป็นเราเนี่ยมันไม่คงทีนะ่ความเป็นเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะฉะ น, นั้นที่จริงแล้วถ้าจะว่าไปจริงๆไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดา แต่การที่เราไปยึดว่าอันนี้เป็นเราอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นสำคัญมั่นหมายนะมันติดกจำฮักนะแค่ที่จริงแล้วมันมีสิ่งที่สิ่งแต่ ว, ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปของมันเนาะแต่ถ้าเราไปยึดนะว่าความเป็นเราในอดีตมันต้องเป็นเราต่อไปในอนาคต ด, ด้วยอันนี้เราจะทุ้งร่างกายนี้นะเมื่อใดที่เราไปยึดว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปนะหรือว่ามันต้องไม่เจ็บไม่แก่ไม่ไข้ไม่ตายเนะี่ยมันก็ทุกข์ใช่ไหมอันนี้ธรรมะที่จริงเรื่องพวกนี้ก็พวกเราทุกคนก็ผมเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละแต่คิดเห็นว่ า, วาการได้ยินกับการทําใจได้เวลามันเกิดขึ้นเนะี่ยมันต่างกันเราได้ยินเรื่องราวเรื่องของการแก่การเจ็บการตายเนะี่ยเือเราได้เห็นคนรอบข้าง หรือบางคราวก็เป็นเราเนี่ยแหละที่เจ็บบ้างแล้วก็หายมาแล้วอย่างนีน้มันก็การที่พอเรากลับมาทบทวนเนื้เออตอนที่เราไม่เจ็บมากเราก็ไม่ทุกข์มากแต่ตอนที่เราเจ็บมากๆเราก็กลายเป็นพุทุกข์มันเป็นข้ อ, อะายนอ้นะเราจะปล่อยให้ชีวิตเราประมาทเช่นนั้นต่อไปหรือเปล่าดังนั้นถ้าเรามาตระหนักหรือว่าเออ สักวันหนึ่งเนาะเราก็ต้องเจ็บอีกแล้วแหละนะเราเคยไม่สบายแล้วก็หายมาแล้วแต่ต่อไปอนาคตก็ไม่แน่นะเรามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะไม่สบายนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ร้อยเปเซ็นต์แน่ที่เราจะตายเนะอันนี้คือเรามีความเป็นไปได้มากที่จะต้องเจอกับความทุกขนะ์ในอนาคตแม้วันนี้เราจะไม่ทุกข์มาก แต่ความเป็นไปได้ที่เราจะพุกในอนาคตมันมีแน่นอนอันนี้เอาแค่ความสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนาะมีความเป็นไปได้แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็แน่ที่จะต้องตายอันนี้คือแล้วความพุกที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิตใจของเราเองก็มีนะนะใช่ไหมคือการพลาดพลาดสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจหรือว่าคน ที่ใกล้ตัวเรานะเราก็เราก็ต้องเจอแน่นะถ้าเราไม่ไปก่อนเขานะนะเขาก็ต้องไปก่อนเราอันนี้คือเราต้องเจอแน่แต่สิ่งพวกนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาเนาะมันก็ต้องเป็นทุกข์ธรรมดานะเป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยหรือว่าทุกข์แล้วจะทําใจได้เร็วหรือทําได้ช้านะนั่นก็เป็นความทุกข์ที่เราต้องไปเจอแน่นอน อันนั้นถ้าเรากลับมาทบทวนหรือพิจารณาเรื่องชีวิตที่ต่อไปเราจะเจอเนะมันจะทําให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเออแล้วเราพร้อมไหมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างตายไหมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการจากการทุกข์ใจไหมนะถ้าเราลองถามตัวเองแบบตรงๆแล้วก็ตอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์จริงๆเนาะ เราจะได้คําตอบเองว่าเราพร้อมมากมาอยขนาดไหนที่จริงการให้คิดเช่นี้ไม่ได้เป็นการคิดแล้วให้ไปฟุ้กในตอนนี้นะไม่ใช่ไปโอคิดแล้วเกิดความแค่คิดถึงการค้าข้าวสูญเสียก็เสียใจแล้วแค่คิดถึงตอนที่เราจะแก่จะตายก็ก็ทุกข์ใจแล้วไม่ใช่เป็นการคิดเราให้เกิดความทุกข์ใจในตอนนี้นะแต่เป็นการคิดเตรียมเพื่อให้เราได้กลับมาคบครัแล้วเราจะได้เตรียมใจนะ หรือว่าเตรียมตัวถ้าเราตอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าเรายังไม่ไพร้อมหรอกหรือว่าถ้าเราตอบตัวเองได้อย่างซื่อสัตย์ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ว่าถ้าเจอสักวันหนึ่งเราจะเสียใจมากขนาดไหนเราจะทุกขใจขนาดไหนอาจมาว่าถ้าเราตอบตัวเองได้เช่นนี้เนาะทางปฏิบัติธรรมก็เป็นก็เป็นคําตอบหนึ่งที่จะทําให้ เรารับมือกับสิ่งต่า ง, างเหล่านั้นได้ก็คือว่ า, าถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทําให้เรามีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอพร้อมกับพร้อมกับเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยอันนี้คือเมื่อเราได้คำต่อนี้นะอามา ว, าว่าการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นสิ่งที่ที่จําเป็นสําหรับทุกคนหรือถ้าจะพูดอีกในระยะหนึ่งก็คือว่า คนที่ไม่จําเป็นต้องปฏิบททัติธรรมก็จะบอกว่าคือคนที่ไม่ทุกก็ได้นะหรือคนที่มั่นใจว่าอนาคตแม้จะไปะเจอะไรก็ไม่ทุกก็ได้อันนี้คือนี่คือถ้าคนถ้าใคร ท, ที่ที่มีสภาวะเช่นนี้ก็การปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นลนะแต่ถ้าใครถามตัวเองแล้วว่าเ อ, อตอนนี้เราก็ยังทุกอยู่ หือว่าอนาคตที่เราจะเจอเนี่ยเราก็อาจจะทุกข์แน่นะเราก็ต้องควรที่จะเตรียมใจนใะนการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะเพราะนะว่ามาว่าทุกกคนก็ต้องเจอนะทุกคนกต้องเจอถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะถ้าเราไม่หลอกตัวเองว่าเเรา่ยฉันจะตายอย่างสงบ <c oughs> ฉันจะเลือกวิธีตายของฉันอย่างสงบไม่ได้นะหรือว่าถ้าเราไม่หลอกตัวเองว่าออเราจะ ตายโดยเป็นความเป็นธรรมชาติไม่ตายได้โรคร้ายไม่ตายด้วยอุบัติเหตุนะเราจะเลือกไม่ได้แบบนั้นได้ซ้ําไปนะอันนี้ถ้าเราถามตัวเองแบบนี้นเราจะได้คําตอบแล้วก็เห็นว่าการปฏิวัติธรรมเนี่ยมันจะนํามาสร้าความเป็นหลักรับประกันซึ่งความไม่ทุกข์ในนาคุทหรือจะพูดอีกอย่างนึงก็ได้นะการปฏิวัติธรรมนี่มันเหมือนคล้ายเป็นเดิมพันก็ได้นะ เดิมพันชีวิตที่ไม่คุกนะกับกับถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตเราก็าจ ะ, ะเผชิญกับความคุกอยู่ร่ําไปนะตั้งแต่วันนี้จะทั้งินทั้งเราตายเนี่ยแต่นี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนคล้ายๆเติมพันว่าถ้าเราทําได้นะชีวิตนะที่เหลือก็ไม่คลุกนะอันนี้คือมันเหมือนคล้ายๆเดิมพันที่เอามาว่ามันน่าสนใจนะมันน่าตดลองกว่านะ เพราะบางทีพวกเราคน่ายในสิ่งที่ได้มาขึ้่ชีวิตเนาะจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวพออะไรต่างๆหรือจะเป็นบุคคลก็ตามนะมันก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันจะนำมาเึ่ความสุขหรือความไม่ทุกข์อยู่ตลอดไปมันไม่สามารถรับประกันได้เงินบางทีก็ช่วยได้บางอย่างแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกอย่างคนรอบตัวเราก็เหมือนกั น, นก็ช่วยได้บางอย่าง แต่ไม่สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่จิตใจที่สุดที่รักเนี่ยจะเป็นหลักรับประกันที่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรเราก็จะไม่ทุ่งใจได้อันนี้คือมาว่าการปฏิบัติธรรมก็ได้ไป็นสิ่งที่เราควรที่จะทุ่มลองทุ่มเทรตรงนี้ดูบ้างนะทุ่มเทให้ความสาคัญกับมันบ้างเพราะชีวิตเราก็ทุ่มเทรหรือว่าให้ความสำคัญกับกับเรื่องอื่นมามากนะเราเรามาทุ่มเทกับตรงนี้ดูบ้างนะ แต่การทุ่มเทก็ไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าไม่ทำอย่างอื่นน ะ, ะเราเขายังทําหน้าที่อย่างอื่นอยู่เป็นปกติเนี่ยแหละแต่เพียงแต่ว่าเรา ผ, ผนวกการปฏิบัติธรรมเข้าไปกับทุกอย่างในชีวิตของเราให้ได้เนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติธรรมนี่มันกลมกลืนกับชีวิตนะไม่ใช่กลืนขนาดต้องทุ่มเทนะแบบปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็หนีออกมาบวชหรือว่า ไม่ได้ผิดชอบอย่างอื่นนะมันก็อาจจะอ า, อาจจะยังไม่ไม่ใช่ภาวะที่พร้อมสดหรับเราในตอนนี้เพราะเรายังมีหน้าที่แต่บางคนที่เขาพร้อมก็าอาจจะเลือกก็ได้นะอย่างที่วัดก็ช่วงนี้ก็มีมีมีพระมีแม่ชีจากต่างประเทศเยอะนะเป็นสิบเลยจากจีนก็เจ็ดแปดูปได้จากตีรังกาก็สองสามลูก จากลาวก็สองจากญี่ปุ่นนะเรืยนะมีชาวต่างชาติมามาเยอะบางคนเขาเขาเวลาถามเขาเขาบอกว่าขนาดจะไม่ขอกลับประเทศละขอตายที่นี่ละนะนะหรือบางคนนีเอะหนุ่มๆอยู่นะกงมาบวชนะก็ก็มีพระถามว่าจะบวชนานเท่าไหร่นะแบบเป็นกัวจะบรรลุธรรมถ้าไม่บรรลุธรรมไม่กลับ ไม่สุดเหมือนนี้ก็มีนะเคือหลายคนเขาก็ทุ่มเทชีวิตที่เสื่อของเขานะในเรื่องตรงนี้แหละนะทิ้งทิ้งครอบครัวบางคนเป็นลูกคนเดียวเลยซ้ำอย่างไม่ได้จีนเนี่ยเป็นเด็กเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ก็พาดหลั ง, งสงครารส่งไปเยนเมืองนอกอา่ากลับมาลูกมาบวชจะเสียใจอยู่บ้างนะแต่ก็เนี่แต่บางคนเขาก็เลือกวิถีชีวิตของเขาอะนะ เราก็เลยสี่ชีวิตของเขาหรือที่จริงอย่างธรราไปสอนอย่างต่างประเทศเองก็ดีนะหลายคนเนี่ยกว่าจะเดินทางมามาปฏิบัติธรรมด้วยนะเพราะบางทีเดินทางเป็นพันกิโลเมตรนั่งเครื่องบินบ้างนั่งรถไฟบ้างบางคนอยู่บ้านนอกมากน ะ, ะเดินทางนุ่งจากตะวันตกเฉียงเหนือมาทีตตะวันออกเฉียงใต้ ทะแยงมาเลยนะทะะแยงประเทศจีนนะใช้เวลาเดินทางสามสี่วันกว่าจะมาถึงนะเลยเห็นเลยว่าความทุ่มเทในการเดินทางของของคนคนเนี้ยเขามากเลยเขาก็สละเวลานะเดินทางไปกับร่วมร่ว ม, วมกับวันปฏิบัติด้วยก็ติดติดกว่าวันนะมาเพื่อปฏิบัติธรรมนะซึ่งที่จริง คนพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีการศึกษานะรือไม่มีฐานะแต่เป็นคนที่มีฐานะเนี่ยแหละแต่เพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่ขาดในชีวิตเราเราเคยมีความสุขแบบนี้บ้างไหมเช่นเหมือนคล้ายๆมันจิกโซ่ที่มันมันต่ อ, อยังไม่สมบูรณ์อย่างอื่นแล้วก็มีมาเยอะเนาะเรียนก็จบสูงพอสมควรหน้าที่การงานก็ดีพอสมควรฐานะก็มีพอสมควร แค่แต่ทําไมมันมันยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันฟ้องอยู่เวลาเห็นคนอื่นที่ดีกว่าก็รู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆเข็มที่แทงใจเรามีความอิจฉานิดๆนะบวงคนก็อิจฉามากนะหรือบางคนก็นะเวลาเห็นที่คนอื่นที่เขาเรียกว่ามีความสุขกว่าเราเราก็อยากจะมีความสุขเช่นั้นบ้างนะหรือเห็นคนอื่นที่เขามีความฟ้ อ, องกว่าเรา เราก็รู้สึกว่าเราไม่พอสักทีเราพ้องอยู่เสมอไปหมายว่าบางทีเรื่อคนนี้ก็อาจจะมีบ้างนะอาจจะไม่ใช่ตลอดแอาจ่จะมีเหมือ น, ในใคล้ายๆเข็มมาแทงในใจเราจี้จี้เป็นบางขณ ะ, อ, ะอันเหมือนคล้ายๆภาพจิก๊กซอที่เราตั้งใจจะต่อว่าชีวิตที่ฉันแสวงหาเนี่ยตัวจะเป็นแบบไหนะฉันได้มาเยอะแล้วนะแต่ยังขาดบางอย่างที่มันทําให้มันยังไม่เต็มเต็ม อนว่าส่วนของจิตซอที่สําคัญก็คือเรื่องของจิตใจนี่แหละนะจิตใจที่รู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีนี่แหละมันจะนํามาสร่งความเต็มความอิ่มนะหรือว่าความรู้จักพอกับชีวิตของเรามากขึ้นกนะ็คือแค่ที่จริงการมีสติส่วนหนึ่งเนะาะก็คือการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยแหละนะยินดีในสิ่งที่เราได้นี่แหละมันทําให้เราเกิดความสุขในปัจจุบันนียนะ นะไม่ต้องไปเรียกว่าไปฝันวายเรียกว่าไฟฟ้าความสุขที่อนาคตหรือความสุขในการที่ต้องได้อะไรเข้ามานะต้องได้อะไรเข้ามาหรือต้องได้อะไรมานะเพิ่มขึ้นอันนี้แต่ถ้าเราแค่ยินดีในในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นตอนนี้แล้วก็เกิดความสุขละเกิดนะความสุขในคันจนะีโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเรนะก็จะพบความสุขว่าเออ อย่างดีนะโชดีนะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างดีนะที่เราไม่เจ็บมากอย่างดีนะที่เรายังไม่ตายเพราะที่จริงในโลกใบนี้ก็มีคนที่ตายไปทุกวันทุกวันมีคนที่เจ็บมากมายมีคนที่เขาทุกข์มากในทุกๆวันแต่เรายังโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ทุกข์มากอันนี้ก็คือ ความโชคดีอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถสัมผัสได้คือแต่ถ้าคนไม่มีสตินะบางทีก็จะมักเด็กคิดคิดด้านลบหนะักคิดเปรียบเทียบแล้วก็มักเปรียบเทียบแล้วทําให้ตัวเองเป็นปุ๊บแต่การที่มีสติเนี่ยเราจะมองชีวิตตามความเป็นจริงนะแล้วก็เป็นการมองชีวิตอย่างเรียกว่าพอใจกับชีวิตที่เรามีนะ แต่การพอใจก็ไม่ใช่เป็นการประมาทเหมือนกันเนาะอย่างที่คำถามที่ที่ว่าไวในตอนต้นใช่อยู่ชีวิตในวันนี้ของเราดีพอสม ค, ควรนะหรือไม่ทุกมากนะแต่อนาพจน์มันไม่แน่ดังนั้นการที่มีสตคิคืออย่างหนึ่งคือการสามารถปล่อยฟ้าหรือว่าค้นพบความสุขในปัจจุบันได้อีกอย่างหนึ่งเป็นการทำให้ชีวิตที่เหลือไม่ประมาทก็คือการฝึก ฝึกตนะิสฝึกใจให้เตรียมพร้อมกับกับทุกเริ่มราวที่จะมีขึ้นกับชีวิตนี้เนี่ยถ้าเราทําเช่นนี้ได้นะมันจะเป็นชีวิตที่ที่สมบูรณ์มากนะแล้วถ้าใครสามารถชนะเดิมพันนะกับความทุกข์นะก็จะได้รางวัลก็คือความมีทุกข์นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะท้าทายพวกเราให้มามามาฝึกตรงนี้กันนะถ้าการปฏิบัติ เนะจอสติเนี่ยมันจะเป็นเป็นวิธีการที่จะทําให้เราค้นพบหนะนทางตัวนี้นะ <c oughs> เรียนแค่เรามีสติในการรู้ตัวอยู่เสมอนะ <c oughs> รู้ตัวก็คือรู้ตายที่เคลื่อนไหวรู้กายที่หยุดนิ่งรู้กายที่เจ็บปวดเมื่อยเนี่ยคือการรู้กายนะรู้กายจนท่านเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สักแต่ว่ากาย เห็นพึงว่าสัตวแต่ว่าธาตุทั้งสี่มาประกอบกันเห็นเจอท่านมีความรู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะกายก็เป็นสัตวต่วากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเผ่าอันนี้คือเราพยายามรู้กายมามุมนี้ให้ได้เยอะๆนะไม่ใช่รู้ว่า น, นี่ก็กายเราอันนี้ก็แขนเราอันนี้ก็หัวเรานะต้องรู้และเห็นว่าออมันมันไม่ใช่เรานะค่อยๆดูไปนะคือการ ตามรู้ลูกตามรู้กายนี่ก็คือรู้ให้เห็นในกำลังนี่แล้วก็การตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะความสุขบ้างความทุกข์บ้างความเฉยเฉยบ้างที่เกิดขึ้นตัวจิตใจพวกเราก็รู้นะเราก็รู้จักเห็นนะคำว่าสุขเราก็รู้นะเคยสัมผัสด้วยนะความทุกข์เราก็เคยสัมผัสใช่ไหมความเฉยเฉยก็เคยเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะมันมีอยู่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วหละ นะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ให้คันนะนะแต่ก่อนเนี่ยมันสุกก่อนแล้วเราค่อยรู้ว่ามันสุกคล้ายๆเหมือนนะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเราทํากับข้าวแล้วก็มันไหมแล้วนะมันไหมแล้วเราค่อยรู้ว่ามันมันมันไหมมันเกินไปละนะอันนี้ตรงกันแต่ตอนนี้เราฝึกสติก็คือว่า ให้รู้ทันมันเร็วๆนะก่อนที่มันจะสุกจะฟุกแบบเต็มตัวนะให้เรารู้ทันเขาเร็วๆเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะดับไปนะหรือว่าจิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่มีความคิดจิตใจที่มีความโกรธจิตใจที่มีความโลภความหลงเกิดขึ้นเราก็รู้นะเราก็ทำความรู้จากเขาเราจะเห็นว่าความโกรธความโลภความหลงความคิด มันเป็นสิ่งชั่วคราวนะมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแล้วมันก็ไม่ใช่เราด้วย <c oughs> มันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะมันเป็นเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วนะเราสังเกตดูเนะี่ยกระบวนการต่างๆก็เหมือนกันนะจะเป็นความง่วงนอนจะเป็นความสงสัยจะเป็นความพยาบาทหรือจะเป็นความรักก็ตามนะ มันก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะไม่มีอะไรเพรียงแท้แน่นอนเราสังเกต ด, ดูนยะสังเกต ด, ดูแล้วมันจะเห็นนะเพราะเราเห็นในทํานองเนี้ยมันจะคลายความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยถ้าเราสามารถตามรู้กายหรือรู้ใจเราในในทุกวันทุกวันนะได้นะที่จริงก้าวกรรมแบบก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะต้องปฏิบัติในรูปแบบเท่านั้นหรอกเพราะที่จริง อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะเราจะกลับไปที่บ้านเราจะทํางานเราจะทําอะไรก็ตามมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจมันก็มีกายที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอแล้วก็คอยตามรู้อยู่เสมอนะตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เสมอแล้วเราจะเห็นเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะเห็นแล้วเราจะไม่เข้าไปเป็มนะเห็นแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอันนี้แหละคือการตามรู้ตามดู แต่ก่อนที่จะเราจะทําได้มากขนาดนั้นนะเราก็ต้องมีการฝึกขัดอยู่ทุกวันด้วยนะเราจะบอกว่าเราจะตามรู้ในชีวิประจําวันอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็โดนเขาเอาไปกินหมดนะน ะ, ะมันมันยากที่จะทําได้อยู่เสมอมันก็ต้องมีการทำบ่อยๆนะช่วงไหนที่เรามีเวลาเราก็ฝึกขัดให้ได้มากๆช่วงไหนที่เราต้องกลับไปทาการทํา ง, งานเราก็ต้องแบ่งเวลาในการ ฝึกหัดบ้างคล้ายเหมือนกับนักกีฬานะจะเก่งขนาดไหนพอเลิกจากการแข่งขันเขาก็ต้องมาซ้อมนะเขาก็ต้องมาซ้อมอยู่เสมอเพราะว่าถ้าหลงว่าตัวเองเก่งแล้วอย่างเดียวไม่ซ้อมโอกาสที่จะแพ้ก็มีการภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าประมาทประมาทในการฝึกหัดก็ก็โอกาสที่จะเจอเจอเรียกว่าเจอกิเลสหลอกหอรือรอดนี่ก็เยอะมากนะ นะดังนั้นเราก็ต้องฝึกทำการปฏิบัติทำในรูปแบบนะจะเป็นรูปแบบรูปแบบใดก็แล้วแต่นะถ้ามันเป็นไปในแนวเรียกว่าสติ ป, ปฐานนสูตรนะก็เป็นไปที่จะทำมาขึ้นความออกเจ็จทุกข์ได้นะแล้วก็นอกรูปแบบที่เราต้องใช้ชีวิตจริงเนี่ยแล้วก็ทำความรู้สึกตัวไปกับเตรียมบทต่างๆด้วยนะแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น กัิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยมันจะทําให้เราเรียกว่าฝึกปฏิบัติได้ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะที่จริงการปฏิบททัติธรรมต้องอาศัยการต่อเนื่องค่อนข้าง ม, มากเลยนะอะแม้จะมีความหลงบ้างแต่ก็อยากให้หลงนานอเพราะถ้ามันหลงนานแล้วมันสติมันเหมือนมันขาดกันนานๆเนี่ยมันจะต่อยากถ้าเราแค่ใช้บางครั้งขยันหรือบางคราวก็ลืมไปเป็นหลายวันเลยเนะี่ย มันเหมือนเราต้องมากลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไปวเวลาทําอะไรเราต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันมันจะเกิดความคอได้ง่ายนะนะแต่ถ้าเราทํามันเกินขั้งมันคินทําเกินขั้งมันทำทำได้ทําเป็นเนี่ยคราวนี้มันจะไม่ค่อยลืมล่มลนะมันจะทําได้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นอยากให้พวกเรามีความอดทนเนาะพรนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าขันติ ความอดทนอดกั้นเนี่ยเป็นทำเพิ่มเผากิเลสอย่างยิ่งเลยนะถ้าไทยมีขันสีนี่ก็ถือว่ามีมีคุณธรรมที่จะนํามาเพ่อความสําเร็จในเรื่องการปฏิบททัติธรรมหรือถ้าเป็นเป็นเรื่องภายนอกเรื่องทางโลกการมีความอดทนอ ด, อดกั้นนี่ก็นํามาเพ่ความสําเร็จได้ในมากเลยเนาะเรื่องการอดทนอดกั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญมาก แต่ไม่ใช่ทนหรือว่ากั้นอย่างเดีย ว, น, ยว น, นะก็ต้องมีมีความเพียรมีความขยันด้วยน ะ, นะไม่ใช่แค่ทนทนฟุกคนเหนื่อยเฉยแต่เราก็ต้องมีความเพียรมีความขยันด้วยตอนเพียรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความเพียรให้ถูก ด, ด้วยบางคนที่ว่าการทํ า, าความเพียรคือเราต้องปฏิบัตินา น, าน ปฏิบัติในรูปแบบนับมากต้องนอน น, อน้อยต้องเรียกว่าต้องไม่ทําอย่างอื่นแต่จริงความเพียรชอบหรือว่าสัมมาสัมมาวายาม ะ, นะในะาภาษาพระเนาะตั้งแต่ว่าความเพียรชอบนะก็คือการเพียรที่จะละอกติสนจะขีดใจอะไรที่เป็นอกุศสนเกิดขึ้นเราละไปเสียแล้วก็เป็นความเพียรในการเรียกว่าจเจริญอคติสน อะไรที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเราเจริญเจริญคือการทําให้มากนะอันนี้คือความเปลี่ยนที่ชอบเพราะนั้นทุกครั้งที่เรารัะอกุศลในจิตใจเนี่ยคือการทําความเปลี่ยนละทุกครั้งที่เราจเจริญกุศลเนี่ยเราทําความเพียนละอันนี้แหละเราพยายามดูตรง น, นี้นะดูที่จิตใจของเราเองไม่ใช่เพียรเพียงแค่การเดินการนั่งหรือว่าการสวดมนต์เพราะฉนั้น แต่เราเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจิตใจเรารู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันนะมันจะละอากุศลออกไปนี่คือเราทําความเปี่ยนละหรือเมื่อมีความปิติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นเราจะเกินจงถ้ามันเป็นอุเบกขาจิตใจเกิดความสงบปล่อยวางไม่ยึดติดนี่ยก็เป็นกุศลที่ที่ยิ่งขึ้นมากกว่ากุศลที่เป็นหยาบหยาบนะก็เป็นการทําความเปี่ยนละ อืมเนี <würden ancia> ่ยเราพยายามฝึกในธํานองเนี่ยชีวิตของเราก็จะได้ใกล้ๆเดินผูกทางเนาะแล้วก็มันจะมีเป้าหมายในชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนาะในแต่ละวันเราจะมีชีวิตที่เรียกว่ามีชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีชีวิตอย่างไม่ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่เพียงแค่คุณค่าจากงานที่เราทําไม่ใช่คุณค่ากับครอบครัวที่เรามีเท่านั้น แต่มันจะเป็นคุณค่ากับตัวเราเองที่ที่สูงสุดเลยนะในการที่จะฝึกผัดจิตใจเราให้มันมันมีพลุแล้วก็ <c oughs> มันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่เขาไม่ต้องช่วยอันนี้เราต้องกลับมาครอบครัวนี้ดูเนาะ <c oughs> ก็อยากให้พวกเราได้ได้ตั้งใจภาวนากันให้มากๆนะบางทีมันก็มีอุปสรรคหรือทิจิงอุปสรรคนี้ก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเกิดจากการทําเองของเราเนี่ยแหละคืออะไร ตุปสรรในการภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่นะก็คือเราจะบางคนญแต่จะินในการจริงมันมีคล้ายๆเป็นรูด้วยะะก็คือการพูดคุยถ้าเราพูดคุยมากๆเนี่ยมันจะทำให้การปฏิบัติมันไม่ค่อยต่อเ น, นื่นะองเพราะอะไรบางทีเราจะเริ่มต้นพูดคุยด้วยสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นทุระแต่บางทีมันจะต่อไปด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งไม่เป็นสาระ สิ่ที่มันไม่ใช่ความจําเป็นเรืสุระนะักเนี่ยมันจะต่อไปได้ง่ายๆนะนะโดยเฉพาะเราก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะเดี๋ยวผู้หญิงนะชอบอมีมีจดดิตในทางนี้มากกว่าผู้ผชา ย, ยานะนะแต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่เราก็ดูตัเองว่าในเรื่องของเนี้ยมันจะมันจะทําให้เป็นคล้เป็นดูรั่วได้ง่ายนะเหนะมืนจับกระถามต้นไมอ้อ่ะโยนะทาไมน้ํา เทลงลาดลงรดลมกระถางต้นไม้ทุกวันนะกระถางมันไม่เต็มในน้ําเพราะกระถางต้นไม้มันมีรูมันมีรัวนมีรูระบายน้ํำใช่ไหมมันก็รั่วลงไปเรื่อยแต่ในขันในอ่างที่มันไม่มีรอยรั่วเราเติมน้ําเข้าไปมันก็เต็มได้ดังนั้นเราก็ต้องระวังรูรั่วที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของเราด้วยเนาะเช่นการพูดคุยในสิ่งที่ไม่เป็น ประโยชน์นะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็เป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยได้ไม่ใช่ว่าเราต้องปิดวาจาตลอดนะแต่เพียงว่าให้เรารู้ทันวาจาที่ออกไปมันเป็นสิ่งที่ที่มีประโยชน์หรือไม่หรือเป็นสิ่งที่สุ ก, การาเตสต์หรือไม่นะบางคราวนะไม่ควรพูดก็ไม่พูดบางคราวควรพูดก็ต้องพูดนะ่นะมันก็ต้องมีมีการราเตสต์นะ อาจจะมาบางทีเคยเจอกันนะมีเจอภาคด้วยหนึ่งในทางภาคใต้ท่านอธิษฐานจิตว่าจะไม่พูดประมาณเจ็ดปีปีที่เอามาเจอท่านน่าจะประมาณสี่ปีแล้วมั้งที่ท่านที่ท่านสมาทานน่นนะแต่ความไม่พูดของท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่พบปากพูดคุยกับใครนะนใช้การเขียนเราอย่างแล้วก็มีโยมพาไปนะมีโยมพาพิจารณ พอไปถึงท่านก็เขียนถามว่ามาจากไหนเราก็ตอบไปเ้วก็มากับใครนะมาถึงเออไม่ใช่เขาท่านก็ถามว่าหลวงพ่อคอมเมนต์มาด้วยไหมคือท่านรู้จักวัดป่าสุกระโจนมาด้วยมาด้วยท่า น, นก็ดีใจใหญ่เลยบอกอยากขอพบหลพ่อด้วยท่านก็เขียนตอบเราก็ตอบไปมันก็เป็นบางทีมันก็นี่แหละมันก็เป็น ที่จริงก็เป็นการพูดคุยอย่างหนึ่งเหมือกันนะอืแต่ก็ไม่บอกว่าอที่จริงกันมันก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าไม่พูดก็คือไม่พูดนะแต่ก็คือถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นเราก็พูดได้แต่สิ่งไหนที่ไม่ได้ความจําเป็นแล้วก็แล้วก็ระวังไว้ที่จริงไม่แต่งานบางอย่างก็เหมือนกันนะีโยมนะงานบางอย่างบางทีเราก็ทําเกินความจําเป็นก็มี <c oughs> เราต้องระวัง ในในบทสวดมนต์มันจะมีบทหนึ่งเรียกว่าบทมงค ล, ลสูตรเวลามีงานมงคลจะมีต้องสวดบทนี้มันจะมีมงคลสามสิบแปดประการมีอยู่หนึ่งประการที่ฟังแล้วดูมันมันโดนใจพอสมควรนะต้อบอกว่าการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเนี่ยก็เป็นมงคลอย่างนึง <c oughs> น่งการงานในในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่ว่า แค่หน้าที่หรือว่าหรือว่างานในธุรกิจของเราเท่านั้นเนาะแต่ที่จริงบางทีการงานที้มันรวมถึงกิจวัตรของเรานี่แหละเราทําตัวให้วุ่นไวายไปทั้งวันไหมอ่าใช่ไหมตอนที่เราทํางานในออฟฟิศในที่ไหนเราก็ทําไปแต่พอกลับมาที่บ้านก็วุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจนกระทั่งวันทั้งวันนี่โลกหมุนไปกับสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยนะ คือการงานที่ยุ่งเหยิงสับสนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเนี่ยก็เป็นเป็นอมงคลอย่างหนึ่งนะนะะการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเนี่ยก็เลยเป็นมงคลอย่างนึงในชีวิตเราแต่การพูดเช่นี้ไม่ใช่บอกว่าเราต้องไม่ควรทําการงานนะนะนะแล้วก็ต้องทำตนให้มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ในการทํางานนี่แหละแต่ขอให้เป็นงานที่เป็นประโยชน์นะ เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและประโยชน์ทั้งทางธรรมเนะี่ยมันจะเป็นมงคลกับชีวิตของเรานะให้เราดูจัดทานชีวิตของเราดูว่าอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตแล้วก็ตัดออกไปซะอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีความพึงพอกับชีวิตเราก็ทําไปโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนาะพยายามเติมเข้าไปไม่ได้มากๆในแต่ละวันนะบางคนมักจะอ้างเนาะนะอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมจะมีคน ถามนะถามหลวงพ่อชาก็บอกไม่มีเวลาปฏิบัติทำก็เป็นข้ออ้างนะหลวงพ่อชาก็ถามต่อไปว่าถ้ามีเวลาหายใจไหมถ้ามีเวลาหายใจเขาปฏิบัติทำได้นะก็คือเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือถ้าถามไม่ีมีคนถามหลวก็เอทียนหรือเปล่านะแต่บางทีหลวงพ่อทีนอาจจะตอบก็ได้นะถ้ามีเวลาเคลื่อนไหวก็ปฏิบัติทำได้ใช่ไหม ทนะ่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็ก็จะทําได้ที่จริงก็มีคนเคยถามคำถามนี้ยกับหลงพ่กคำเขียนนะก็เป็นคนพิการนะชื่ออาจารย์กําพลทองบุญนุ่มก็ถามทางจดหมายถามว่านะผมอยากปฏิบัติธรรมผมเป็นคนพิการจเจ็ปฏิบาดทำยังไงหลวงพ่อคำเขียก็บอกว่าถ้าถ้าพอขยับมือได้ก็ให้ขยับมือแล้วก็รู้สึกตัว ก็คือก็ทำนองเหมือนคล้ายๆว่าถ้าพอขยับได้ก็ขยับอะไรก็ได้แล้วก็รู้สึกตัวนะแต่ถ้าขยับมือไม่ได้ก็ดูลงหายใจเข้าลงหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวก็ได้นะแต่หลวงพาะท่านก็จะย้ําอีกประโยคหนึ่งนะคือประโยคแรกท่าน ใ, ใช้รับรองว่าถ้าเราเคลื่อนไหวได้เราปฏิบัติทําได้ใช่ไหมนะถ้าเราเคลื่อนไหวได้เราปฏิบัติทําได้แต่ประโยชน์ที่สองที่หลวงพ่อย้ำบอกว่าให้ดูนะอย่าไปอยู่ ให้รู้นะว่ามือเคลื่อนไหวนะแต่อย่าไปอยู่กับมูอเคลื่อนไหวท่านย้ํำนี้บางคนไม่ไ ม, ไม่ทันความประโยคนของดีนะแต่หลวงพ่อจะย้ําว่าการเจริญสตินี่คือให้รู้ให้รู้อย่าไปอยู่นะนั้นพอเราพอเรารู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดการฝุดสติได้เดังนั้นที่พวกเราเนี่ยนะมีกายที่พร้อมเราปฏิบัติ ท, ทําได้แน่นอนนะเพียงแต่ว่านะช่วยเวลามารู้สึกตัวบ่อยบ่อยนะ มาทำควารู้สึกตัวจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทำอะไรก็แล้แต่มารู้สึกตัวบ่อยๆนี่เป็นการปฏิบัติทำแล้วนะวก็ก็ฝากไว้ในคะั่มเนาะคั่าคืน